เสร็นะจแล้วพอไปถึงทางเปี่ยวก็โดนหลอกนะโดนปล้นเอาเงินไปถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าสิบยี่สิบครั้งเนี่ยนะมันก็แย่แล้วนะแล้วถ้าเกิดเป็นร้อยครั้งสองสามร้อยครั้งสี่ห้าร้อยครั้งเนี่ยอันนี้มันแปลว่าอะไรนะแปลว่าเด็กนี่โง่เหลือเกินแต่เด็กนั้นก็คือเรานั่นแหละนะ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 นี่เกิเพราะว่าทำไมเราต้องมาเจริญสติเพราะการเจริญสติจะทาให้เรามีสติรู้ตัวนะคนที่เด็กที่มีสติเด็กที่รู้ตัวเนี่ยนะก็จะโดนวิชาชีพหลอกได้ไม่เกินสองสาครั้งนะเพราะว่าความผิดพลาดแต่ละครั้งก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะเหมือนกับเด็กนะทารกที่อมเทียนวันเกิด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 ก็คล้ายๆกับเวลาเราเราคิดฟุ้งปรุงแต่งไปนะแต่ก่อนเนี่ยคิดไปได้สิบเรื่องเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่ากําลังเดินจงกรมกําลังยกมือสร้างจังหวะแต่ตอนหลังเนี่ยคิดไปได้แค่แปเรื่องก็รู้ตัวแล้วแล้วก็ถอนจิตออกมานะสติมันเป็นตัวถอนตัวดึงตัวเรื่องจิตออกมาะจะไปไม่ให้ไปหลงนะเชื่ออารมณ์เหล่านี้และต่อไปจะจําได้ไวขึ้นนะ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 ยี่สิครั้งถึงจะจำได้มันคล้ายๆกับเราท่องอักษรานนะไม่รู้สมัยนี้ยังท่องอักขยานกันอยู่หรือเปล่ า, าหรือท่องศัพท์ก็ได้นะศัพท์ภาษาอังกฤษศัพท์ภาษาจีนเนี่ยเจอทีแรกก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะเจอครั้งที่สองก็ยังจําคําแปลไม่ได้นะต้องเปิดดิกต้องเปิดพจนานุกรมนะบางทีต้องเจอสิบครั้งถึงจะจําได้ว่า ไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไรหรือเมือ่อกะท่องอขยานเนี่ยจะท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกนะประมาณสักสิบยิบครั้งถึงถึงท่องได้ขึ้นใจนะบทชสวมเหมือนก็เป็นกนะันนั่งต้องสวดแล้วสวดอีกนะพระเนี่ยพระบวชใหม่เนี่ยนะบวชมาครึ่งเดือนแล้วบางทียังท่องบทชสวมมันไม่ได้เลยนะแม้ว่าจะพยายามตั้งใจจํำนะแต่ต้องทํำบ่อยๆทำบ่อยๆก็จะจําได้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 หลวงพ่อเขียนท่านใช้กับว่ามันสติมันช่วยถลุงนะถลุงมันก็แร่เนี่ยก้อนแร่ขี้แร่เนี่ยพอไปถลุงก็จะได้แร่แยกออกมานะแร่ชนิดต่างๆแยกออกมาเมื่อเราเจริญสติเนี่ยไอ้ที่เคยเห็นเป็นดุนเป็นก้อนว่าเราไปสําคัญมากไหมนี่คือเราคือเราคือเร า, เราหรือกูเนี่ยนะพอเจริญสติเนี่ยไม่ว่าเดินหรือนั่งมันก็ยิแยกออกมาไม่ใช่เราแล้วแต่มันเป็นกายกับใจ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 นะเหมือนกับเด็กที่ถูกมอมยานะหรือผู้ใหญ่โมถูกมอมยานะีใครพาไปก็ไปไมิชาชีจะพาไปไหนก็ไปแล้วก็ถูกมอมยาอยู่เรื่อย ก, ก็เลยเสียท่านะเสียทีมันทุกครั้งแต่ถ้ามีสติมีความรู้รตัวเนี่ยนะมันก็จะรู้โดยลําดับนะหลังจากที่เจอความโกรธครั้งแล้วครั้งเราเ่าออหนึ่งหน้าตามันเป็นอย่างนี้อาการเป็นอย่างนี้มาทีไรเราไม่เผลอแล้วไม่ไม่เชื่อมันละ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 มันไม่มีความสึกเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือไปยึดเลยและนี่แหละหนะ้าที่ทําให้ใจสงบได้แม้ว่ากายยังปวดอยู่นแม้ว่ามีความเกลือขึ้นเกิดขึ้นที่ใจนะแต่ว่าความกลือมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไรจิตใจไม่ได้นะหรือว่าจะใช้คําว่ามันทําอะไรเราไม่ได้ก็ได้นะนี่ยสติมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะหลายคนอาจจะมาเพราะอยากจะสงบนะแต่ว่า ไม่ค่อยตระหนักว่าจริงๆ จ, จะสงบได้เนี่ยนะมันต้องอาศัยความรู้ตัวนะสติเป็นพื้นฐานด้วยเพราะว่าถ้ามีสติมีความรู้ตัวอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะเดยเพราะที่เป็นสัมมาสตินะซึ่งเกิดจากสติปัฏฐานเนี่ยสติมันมีหลายแบบนะสติธรรมดาเฉยๆก็มีสัมมาสติเนี่ยเรากำลังพูดถึงสัมมาสตินะความระลึกรู้เรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่ระลึกได้เรื่องอื่นเรื่องนอกตัวนี่เรียกวสติธรรมดา แต่ถ้าเรารู้เรื่องกายเรื่องใจอันนี้เรียกว่าสัมมาสติสิ่งนี้แหละนะ่ชื่อจะ ช, ช่วยทําให้ใจสงบได้แท้จริงอะไรมากระทบหูเสียงอะไรมากระทบหูนะใจกระเพื่อมก็รู้นะจากเดิมที่ยินร้ายนะพอมีสติก็เฉยๆนะไม่ยินร้ายแล้วนะมีอะไรมากระทบตามีอะไรมาสัมผัสกายที่เคย เป็นทุกข์เคยปวดเคยยินรายนะแต่พอมีสติก็ก็รู้มีความโกดหงีดงเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่เอานะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้นะไม่เอาอันนี้เราว่าเห็นมันนะไม่ข้อยไปเป็นนั้นจับหลักตรงนี้ให้ได้นะการปฏิบัติของเรามันก็จะเห็นมกักเห็นผลนะเอาละคําบนี้เพื่กัะทนนี้